สวาข้าโตภกวตาธรรมโมธรรมะอันประภูมีประภาาคเจ้จัดดีแล้วสัน้นฤทธิโกอันภูปฏิบัติภูดได้บรรลุหรืออันวิญยูคือภูรู้พึงเห็นเอง อกาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัติโกควรเรียกให้มาดูโอปนระนจิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวริตบโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน เพราะฉะนั้นผูป้ปฏิบัติสติปัฏฐานอบรมสติในกายเวทนาจิตธรรมย่อมยะได้นนสติเป็นสติปัฏฐานและย่อมยะได้ญาณคือความอย่างรู้หรือปัญญาความรู้โค้งกันไปกับสติ ทำให้เป็นวินยูคือเป็นผู้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมและเมื่อปฏิบัติสติปัฏฐานถูกต้องก็จะไม่ใช่รู้ติดแต่ว่ารู้ปล่อยรู้วางคือรู้กาย แต่ไม่ยึดกายปล่อยวางกายรู้เวทนารู้จิตรูธรรมก็ไม่ติดไม่ยึดแต่ว่าปล่อยวางเวทนาจิตธรรมและเมื่อสติตั้งเป็นสติปัฏฐานได้ความรู้ซึ่งเป็นตัวยานหรือปัญญาที่ปล่อยวาง ในกายเวทนาจิตธรรมย่อมจะเป็นโพชฌงขึ้นมาคือเป็นสติสัมโพชฌงสติที่เป็นไปเพื่อรู้จะได้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิจัยธรรมเลือกเว้นธรรมที่จิตต้องตรวจเองอันเป็นไปเพื่อรู้อะไรบังเกิดขึ้น ก็จะรู้ทันทีว่านี่เป็นกุศลเป็นอกุศล น, นี่มีโทษไม่มีโทษนี่เป็นธรรมลำนี่เป็นธรรมะขาวโดยเปรียบเทียบจะรู้ทันทีเพราะมีวิจัยคือเรียกเป็นมันเกิดขึ้นที่จิตโดยอานาจของสติที่บริสุทธิ์แต่เพราะเหตุที่ ยังมีกิเลสอยู่เพรดฉะนั้นกิเลสจึงโผล่ขึ้นมาได้แม้ในขณะที่กําลังปฏิบัติแต่เมื่อกิเลสโผล่ขึ้นมาก็รู้ทันทีว่านีนกิเลสวิริยะก็จะละได้แต่เมื่อสติสมาธิโผล่ขึ้นมาก็จะรู้ทันทีว่านี่เป็นสตินี่เป็นสมาธิและวิริยะก็จะ รักษาเพิ่มพูดทำให้จิตนี้บริสุทธิ์ก็ถูกขัดเกลาให้ละส่วนเศร้าหมองความประพัดสอนคือผุดผ่องของจิตก็ปรากฏก็จึงปรากฏเป็นปีติความอิ่มใจเป็นธรรมมาปีติอิ่มใจในธรรมขึ้นในสติในปัญญา รอมทั้งในสมาธิที่บังเกิดขึ้นปัสจุบัสงบกายใจก็บังเกิดขึ้นจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่ขึ้นในกายในเวทนาในจิตในธรรมแต่ก็ปล่อยวางกายเวทนาจิตธรรมไม่มยึดถือสงบอยู่ภายใ น, ในจึงได้อุบเบกขาจิตจึงว่างเพราะไม่ยึดกายก็ว่างจากกาย ไม่ยึดเวทนาไม่ยึดจิตไม่ยึดินื้อยึดธรรมก็ว่างจากเวทนาจากจิตจากธรรมว่างสงบอยู่ภายในสว่างอยู่ในภายในตื่นอยู่ในภายในไม่ออกมาข้างนอกรับอารมณ์ทั้งหลายจิตที่ตั้งมัตตดังนี้เป็นตัวสมาธิที่บริสุทธิ์ประกอบด้วยอุเบกขาที่บริสุทธิ์ก็เป็นอันว่า วางเวกางวางกายเวกวางเวทนาวางจิตวางธรรมจิตที่เป็นสมาธิอุเบกขาสัมปริยุติกอยู่ดังนี้แหละที่เป็นจิตอ่อนควรแกการงานคือควรแกวิปัสสนากรรมกรรมคือวิปัสสนาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงต่อไปฉะนั้น จิตที่ประกอบด้วยสมาธิและอุ เ, เบกฐานบริสุทธิ์นี้จึงกำหนดทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ก็จะปรากฏสภาวะทุกข์ขึ้นในความรู้ว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่องรวกคุรู ป, ปรกายอันนี้ เวทนาคือเวทนาที่อาศัยรูปรกายอาศัยจิตมันเกิดขึ้นฉัญญาคือความจําได้ไมายรู้สังขารคือความคิดปรุงหรือปรุงคิดแต่ในขั้นนี้ก็คืออุเบกขากับสมาธิอะไรเป็นตัวสังขารวิญญาณก็คือตัวรู้ตัวรู้ที่มโนคือใจกับธรรมะคือสมาธิอุเบกขาที่ มันเกิดขึ้นเป็นปอยู่ประกอบกันอยู่ก็ย่อมจะได้วิญญาณคือตัวรู้รู้อยู่ในภายในและก็ย่อมจะได้ความรู้ที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารดังกล่าวทั้งหมดก็รวมเป็นนามธรรม ซึ่งประกอบอยู่กับรู ป, ปรธรรมอันนี้ทั้งหมดนี้ต้องแก่ต้องเกิดต้องแก่ต้องตายต้องประกอบกับต้องมีโศกความโศกปริเทวะความเคร่องครใจความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจ ต้องประจบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักต้องพละดพลาดกับสิ่งที่เป็นที่รักต้องพบกับความปรารถนาไม่สมหวังทั้งหมดนี้ก็ปรากฏอยู่ที่รูปกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้เองไม่ใช่ปรากฏที่อื่นก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่แหละ เป็นสิ่งที่เกิดแก่ตายเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์โศกทุกข์ต่างๆเป็นสิ่งที่ประจบเป็นสิ่งที่เพลิดพลาดเป็นสิ่งที่ปรารถนาะไม่สมหวังต่างๆก็อยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เองยาอาการที่เป็นทั้งหมดนี้สรุปเข้ามาแล้วก็คือเป็นสิ่งที่เกิดดับเพราะฉะนั้นภาวะเป็นรูป เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณจกปรากฏขึ้นว่ารูปเป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ก็จะเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันและเมื่อขันท่านี้ปรากฏอันนี้แหละเป็นตรวปัิศนาผม ภูมของวิปัสสนาเหมือนอย่างดูนาฬิกาเห็นหน้าปัดนาฬิกาเห็นตัวเลขบอกชั่วโมงนาทีเห็นเข็มยาวเข็มสั้นที่ชี้เวลาของชั่วโมงนาทีหรือแม้ถึงวินาทีหน้าปัดที่บอกเวลากับเข็มสั้นยาวเหล่านี้ก็เท่ากับคันห้า เมื่อปรากฏขึ้นแล้วลักษณะที่เป็นไปของขันห้าคือเกิดก็จะปรากฏดับก็จะปรากฏเหมือนดูนาฬิกาเมื่อพบหน้าปัดทั้งดังกล่าวก็จะเห็นเข็มสั้นยาวนั้นเคลื่อนไปอยู่เสมอตามเวลาเป็นอนดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอนดีต กำลังเป็นอยู่ก็ปัจจุบันข้างหน้าก็เป็นอนาคตและอนาคตก็มาเป็นปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นอดีตก็เป็นไปอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นความเกิดความหลับของขันท้าจิงปรากฏตามที่เป็นไปจริงของขันท้าดังนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อเห็นทุกข์จริสภาพที่จริงคือทุกข์ ทุกขจั จ, จักะก็จะปรากฏแจ่มชัดขึ้นทางนี้จะต้องมีอุเบกขาสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงสองข้อข้างหลังนั่นแหละรวมกันอยู่เป็นหลักและเมื่อไดโพดชฌงสองข้อนี้มีอุเบกขาประกอบเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ที่ปล่อยวางไม่ยึดถือกายเวทนาจิต ธ, ธรรมเพื่อเป็นโอกาสที่ จิจจะกำหนดพิจารณาขันธ์ห้าที่ตัดสอนมาแล้วในขันธปพร ะ, พะข้อที่ว่าในขันธนั้นแต่ว่าข้อที่ตัดสอนไว้ที่ได้เรียนได้ฟังมาแต่เดิมนั้นเป็นปริยัติแต่เมื่อมาปรากฏในขั้นที่ใดสมาธิอุเบกขาขันธ์ห้าก็จะมาปรากฏตามที่เป็นจริงที่ตนเอง และลักษณะของขันท่าที่เกิดดับก็จะปรากฏตามเหมือนอย่างเมื่อเห็นเข็มนาฬิกาเห็นหน้าบัตรก็จะเห็นเข็มสันยาวนั้นเคลื่อนไปอยู่เสมอเวลาก็เป็นอนดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ตลอดเวลาความเกิดความหลับก็ปรากฏดังนี้เป็นการปฏิบัติที่ทำให้เห็นทุกข์สัจสภาพที่จริงคือทุกข์ อันเป็นอริสัตย์ข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้รัสสอนเอาไว้จะเห็นได้ก็จะต้องได้รูเบิกขาได้สมาธิในสามพจน์ชงนั้นก่อนนลการที่จะมาปฏิบัติกำหนดจิตพิจารณาคันท้าจึงจะเป็นไปได้ทุกข์สัตย์จึงจะปรากฏต่อไปนี้กขขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทงความสงบสืกต่อไป